เจิญพระวจนะในหัวข้อผู้หวานเมล็ดพืชพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมมรารโกรบทที่สี่ข้อหนึ่งถึงยี่สิบความว่าแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนที่ฝั่งทะเลอีประชาชนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเลและประชาชนอยู่บนฝั่งพระองค์จึงตัดสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคาอุปมา และในการสอนนั้นพระองค์ตัดแกเขาว่าจงฟังเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านมเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินแต่น้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผาเพราะรากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วงอกงามจำเริญขึ้นเกิดผลสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างแล้วพระองค์ตัดแก่เขาว่าใครมีหูจงฟังเถิดเมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวกสิบสองคนได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมาณนั้นพระองค์จึงตัดแก่เขาว่า ข้อความรับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่างเพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่มองไม่เห็นและฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจเกลือกว่าเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและรับการอภัยพระองค์ตัดกับเขาว่า คำอุปมานั้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือถ้ากรณ์นั้นท่านทั้งหลายจะเข้าใจคำอุปมาทั้งพวงได้อย่างไรได้ผู้หวานนั้นก็ได้หวานภพระวจนะซึ่งตกริมหนมทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หวานแล้วและเมื่อบุคคลได้ฟังในทันใดนั้นสาตานก็มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหวานถูกใจเขานั้นไปเสียและซึ่งตกที่ซึ่งมีหินมีเนื้อดินแต่น้อยนั้นก็ทานองเดียวกัน ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพวจนะแล้วก็รับทันทีด้วยความปรีดีแต่ไม่ฝังลึกในตัวจึงทนอยู่ชั่วคราวและเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงต่างๆเพราะภาวจนะนั้นก็เลิกเสียในทันทีทันใดและพืชซึ่งหวานกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังภระวจนะแล้วความกังวลตามธรรมดาโลกและความลุ่มหลงในทรัพสมบัติและความโลภในสิ่งอื่นๆ ได้เข้ามาแล้วรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลส่วนพืชซึ่งหวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพวจนะนั้นและรับไวจึงเกิดผลส0สบเท่าบ้าง60สบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างเผยพระวจนะหัวข้อผู้หวานเมล็ดพืชโดยศาสนาจารย์ด็อเตอร์สตีฟเทลเลอร์ ครับก็มีความยินดีที่จะอยู่กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในเช้าวนันนี้ต้องขออภัยที่เสียงแหบนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยสบายแล้วกลัวว่าเสียงจะหายไปเลยแล้วจะแท้นไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็มีเสียงบ้างในเช้าวนันนี้ครับก็ในเช้า ว, วันนี้จะพูดถึยงผู้วานมเมล็ดพืช ข้อความที่เราได้อ่านแท้ที่จริงข้อความเดียวกันก็ปรากกตในทั้งมัทธิวและทั้งลู ก, กาด้วยและพอมีอยากจะอ่านจะข้อสุดท้ายจะลู ก, กาด้วยที่บอกว่าที่ตอกในดินดีหมายถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวชนะแล้วเจาะจาําไว้ด้วยายที่ซื่อสัตย์ดีงามจองเกิดผลโดยความสรหรอดอทอน ก็เป็นข้อความที่เพิ่มของลู ก, กาที่แสดงถึงชีวิตที่เกิดผนด้วยความโศรหดอดทนจริงๆคําอุปมานี้พระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่เข้าใจคําอุปมานี้เราจะไม่สามารถเข้าใจคําอุปมาอื่นๆด้วยเพราะว่าเป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้เราเข้าใจข้อลามเลึกของพระเจ้าอื่นๆด้วยและก่อนที่เราจะเข้ถึง สาหรับชีวิตของเราด้วยผมอยากจะอ้างอิงถึงผู้ที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันระลึกถึงโรงเรียนด้วยและผู้ที่มาก่อตั้งตั้งแต่แรกก็เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่เราคิดถึงในเช้าวันนี้ผู้วานแมละพืชคนเหล่านี้1้อยสี่สิบสองปีในวานโรงเรียนไว้วานปัชิยา ที่ศิลธรรมนำหน้าความรู้ทางวิชาการ m o precedes precedes academic knowledge แนนคุณธรรมแน้นความซื่อสัตย์แน้นความรักแน้นการให้ก็ชีวิตของคนเหล่านี้ก็เกิดผ่อนถึงทุกวันนี้สามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างด้วยความโศกหดอดทน อะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนเหล่านี้มาเป็นมิชชันนีพร้อมกับ American Presbyterian Mission ในสมัยนั้นเรียว่า Mrs Harriet House คนเหล่านี้ที่พร้อมที่จะสละชีวิตแท้ที่จริงชีวิตของเขาเองเหมือนเป็นมเมล็ดที่ดอกในดินเปื่อยหน่าไปแล้วก็เกิดผ่อนตามเวลาของพระเจ้า ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นสมบ่าวราวจึงไว้ลึกถึงคนเหล่านี้ด้วยมีสมคำถามที่อยากจะให้เราคิดถึงจากข้อความที่เราอ่านนะครับคำถามแม่ที่อยากจะถามคือมีความหมายอะไรสำหรับผู้ฟังพระเยซูที่เป็นชาวอยู่ในเวลานนานเมื่อฟังคำอุปมาผู้หวานเมล็ดพืชเขาจะเข้าใจยังไงอันที่สองทไมพระองค์จึงต้องพูด โดยใช้คำอุปมาล้านที่สามมีความหมายอะไรสมะว ร, ราในวันนี้ฉันให้เราคิดถึงคำถามแรกมีความหมายอะไรสมาผู้ฟังพระเยซูที่เป็นชาวอยู่พี่น้องเราต้องกลับมาคิดถึงเบื้องหลังของสมัยระคัมพีใหม่ชาวอยู่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวต่างชาติอยู่ภายใต้ชาวโรมัน และเขาก็ไม่ชอบมากๆที่จะอยู่ภายใต้อำนาจอื่นๆเขาอยากเป็นชายเหมือนคนชายที่ไม่อยากจะเป็นอยู่ใต้ที่อื่นแล้วก็ภูมิใจที่ตลอดมาพระเจ้าก็ ร, รักษาไว้ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้ประเทศอื่นๆแต่ชาวอยู่ในเวลานั้นอยู่ภายใต้ชาวโรมันและเขาก็ไม่ชอบมากๆไม่เพียงแต่ว่าเป็นความรู้สึกตอกําหรือขายหน้า แต่ว่าเนื่องจากเขาเชื่อว่าเขาเป็นชุมชนของพระเจ้าเขาเป็นคนที่พระเจ้าได้เรียกวัเพื่อจะเป็นคนพระเจ้าโดยเฉพาะทำไมจะต้องเป็นเมืองขึ้นกับประเทศอื่นๆเขาคาดหวังว่าเขาจะเห็นความชอบธรรมของพระเจ้าเสรีภาพของพระเจ้าปกครองเหนือเขาไม่ใช่ประเทศรมจึงมีหลายคนที่เป็นชาวอยู่ที่ลุกขึ้น ทำตัวเหมือนเป็นพระเมสยากนหน้าพระเยซูแล้วก็ขบฏต่อชาวโรมพยายามจะปลอกปลอยชาวอยู่เป็นทายแล้วแต่ละคนก็แต่ละคนไม่พียแต่ถูกเรียกปบบัศน ก, กตกตเมื่อเขาทำอย่างนั้นแต่ถูกประหารชีวิตไปเลยถูกตรึงที่กางแขนเหมือนที่สุดท้ายพระเยซูต้องถูกตรึงที่กางแขน แล้วพระเยซูกําลังตรัสว่าเพนนินของพระเจ้าจะไม่มาเรียวจริงๆชาวยู่ต้องการการปลอบปลอยอย่างเรียวขอให้เพนนินของพระเจ้ามาตั้งอยู่มาบอกรองข้าวไม่ใช่เพนนินของโรามาบอกรองแต่พระเยซูพูดถึงเพนนินของพระเจ้าในอีกลักษณะหนึ่งและพูดถึงว่าจะมาด้วยความโถรหอดอดชนไม่ใช่เรียวอย่างที่ขา่าวเคส จริงๆมีเหตุผลหลายเหตุผลทําไมชาวยูอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ทันใจเขาเหมือนว่าพระเจ้าทํางานช้าเช่นเป็นชาติในอียิปต์400ปีทําไมต้องถึง400ปี50ปีไม่พอเหรอแต่ถึง400ปีกว่าพระเจ้าตอบสนองการร้องเรียกของชาวยูที่จะปลอบปลอย และพระเจ้าก็นำการปลอบปลอยมาถึงเขาหรือเจสปีที่เขาถูกแนวรเทศไปอยู่ที่บาบิโลนและแม้จะกลับมาความสวยงามของประเทศของวิหารก็จะไม่เหมือนเดิมเขาอยู่ภายใต้การปกครองหรอือิทธิพลของชาวเภอร์เซียต่อไปชาวกรีก และตอนนี้ชาวโรมทำห้พระเจ้าไม่ทำงานเวลกว่นนี้มันเป็นความคาดหวังของชาวอยู่ในเวลานั้นแต่พระเยซูกำลังจะว่าจะมาด้วยความสอวะหอดอดทนมันสวนทางจากความคิดของชาวอยู่ทั่วไป เ, เราอาจจะไม่เหมือนชาวอยู่โดยโดยตรงแต่ในชีวิตของเราหลายครั้ง เราก็มีการทดลองคล้ายๆกันที่จะรู้สึกว่าอยากจะเห็นพระเจ้าทำวิววิวขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานวิววิวแต่บางทีพระเจ้าไม่ทันใจเราในการขอแต่พี่น้องอย่าท้อใจพระเจ้ายัางรู้ว่าพ อ, องกำลังทำอะไรและ pending ของพระเจ้าบางครั้งเหมือนที่พระเจ้าจะว่าเหมือนเป็นเมล็ดที่ ลงในดินแล้วก็เหมือนเรามองไม่เห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปจะค่อยๆงอกขึ้นเกิดผ่อนเราต้องใช้เวลาวิธีของพระเจ้าปัางทีในด้านเวลาไม่เหมือนที่เราคาดคิดหรือเหมือนเชื้อขนมปังที่ค่อยๆมีที่ผ่อนซึมเข้าไปในทุกส่วนของแป้งขนมปงังจนกระทั่ง ก้อนก็ฟูขึ้นพระเจ้ากําลังทำรรแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจเราฉะนั้นช้วยคำเหล่านี้อาจจะไม่ทันใจชาวอยู่ทั่วไปเวลาฟังพระเยซูแท้ทีจริงชาวอยู่ส่วนมากติดพระเยซูเพราะว่าการอัศจรรย์ที่เห็นพระเยซูทำมากกว่าการสอนของพระองค์ฉะนั้นมาถึงคําถามที่สองทำไมพระองค์ต้องพูดเป็นคําอุปมาพระเยซูจ่าว่าสมัติขอนภายนอกเจ้า พูดเป็นคําอุปมา ห, หมด เ, เราสิ่งแรกเราต้องเข้าใจในสายตาของชาวโรมันเมื่อพระเยซูกําลังทําพันธกิจของพระ อ, องค์อยู่ท่ามกลางชาวโรมันที่สามารถฟังคําสอนของพระเยซูได้แต่สำหรับในสายตาของชาวโรมันพระเยซูมาเป็นผู้เหมือนเป็นผู้กบฏในสายตาของเขา เพราะว่าพระเยซูมาเป็นกษัตริย์ของชาวอยู่มาตั้งแผ่นดินของพระ อ, องค์ของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระเยซูไม่ใช่ผู้พยากรณ์เหมือนยาเบมีวิลิสยาแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าเองที่มาปกครองแผ่นดินของพระ อ, องค์เองพองมาเพื่อจะ สร้งแพ่นดิ่งของพอง ก, กันครอบครองของพวกเองนั้นในสายตาของชาวโรมันที่เป็นอาณาจักรโรมันก็เป็นสิ่งที่เขาจอด้องระมัดระวังที่พีซูเองจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ซีซ่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและสมัครกคริสเตียนหลายคนในยุคแรกนั้นต้องสูญเสียชีวิต เพราะว่าเขาไม่ยอมรับซีซาร์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ยอมรับพระเยซูเท่านั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นเหตุผลที่เขาถูกฆ่าให้ตายเป็นมาเทอร์ในพวกแรกเหล่านั้นเพราะว่าเป็นการยอมรับความจริงเกี่ยวกับพระเยซูฉนั้นในสายตาของชาวโรมันพระเยซูเหมือนเป็นผู้ก่อการกบฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่แปลกใจที่พระเยซูจะซ่อน คำสอนของพระ อ, องค์ว้เป็นคำอุปมาเพื่อคนทั่วไปจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าพีซูสอนจองไปจองมาอาจจะไม่ถึงสามปีจะถูกประหารชีวิตแต่พีซูรู้ว่าเวลาของพระ อ, องค์อันที่สองที่เราหน้าจะเข้าใจคือว่าสมับชาวอยู่คนส่วนมาก ให้ผ่อนแวดที่พระเยซู ส, สอนเป็นคําอุปมาสำหรับชาวอยู่เป็นเพราะว่าเขามีใจที่แข็งกระด้างพอองค์จัดว่าผู้ที่มีหูจองฟังเชิดผู้ที่มีจะเพิ่มเติมให้แต่ผู้ที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีจะเอาไปจากเขาเราต้องมีอะไรถ้าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมจากพ่อองค์ต้องมีใจหิวกระหายต้องมีใจทอมต้องมีใจที่ยอ ม, มว่าเราต้องการช่วยคำของพระองค์ พระเจ้าจึงจะพูดและตรัสในใจของวาวแต่สมัครคนที่ไม่มีใจอย่างนี้ที่มีใจใแข็งกระด้างก็พระเยซูก็จะให้เป็นคำอุปมาแม้พวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะมองไม่เห็นแม้ฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่เข้าใจมิฉนั้นแล้วพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการอภยัย คือต้องมีใจเปิดต้องมีใจทอมจึงจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าแต่นอกจากนั้นเราต้องเข้าใจว่าชีวิตและการสอนของพ่องก่อการปฏิรูปสมับชาวอยู่ด้วยกันถ้าเราพูดถึงชาวอยู่ที่จริงเราก็อาจจะต้องพูดถึงกษัตริย์แฮ่รอดไปด้วยแต่จริงๆกษัตริย์แฮรดไม่ใช่ชาวอยู่แท้ๆ เป็นเชื่อสายของชาวอีดอมเป็นเชื่อสายของไอซาวไม่ใ้ย่ยาโคบจริงแต่ว่ามารับศา ส, สนาของชาวอยู่เพราะว่าเป็นผลประโยชน์ต่อการเมืองของเขาเขาอยากเป็นกรรษัตริย์ของชาวอยู่แล้วก็โคกับชาวโรมันแต่ว่าสมบัติเฮโรด พระเยซูมาและเรารู้ว่าพ่อของแฮร์โรดมหาราชก็พยายามจะฆ่าพระเยซูตั้งแต่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูมาเป็นกษัตริย์ของชาวยูแต่แฮรโรดอยากจะเป็นกษัตริย์ของชาวยูนั้นก็เป็นาคล้ายๆเป็นภายคุกคามสมรับแฮรโรดเมื่อคิดถึงพระเยซูแต่สมรับชาวยูเองก็เขามีระบบวิหาร และมีระบบของเครื่องถวายที่เขาถวายในวิหารซึ่งเป็นระบบศาสนาที่เขาภูมิใจมากและเน้นแฟนมากเป็นเป็นประจําชีวิตของชาวอยู่ในเวลานั้นแต่พระเยซูเมื่อพระเยซูมาพระเยซูก็จะความทั้งหมดเลยพระเยซูก็จะกระทบระบบวิหารเมื่อ เขาชมวิหารพระเยซูว่าจะไม่มีก้อนเห็นสักก้อนเดียวที่สัทบที่ซ้อนทับกันต่ อ, ตอไปเพราะอะไรเพราะว่าในระบบของพระเยซูไม่ต้องมีวิหารที่เป็นอาคารที่เป็นที่สถิตยอยู่ของพระเจ้าวิหารก็เป็นที่สถิตยอยู่ของพระเจ้าในปอนโลกเหมือนเป็นที่สวรรค์ทับโลกแต่ว่าต่อไปอะไรจะเป็นวิหาร เราทั้งหลายที่เชื่อในพระ อ, องค์เราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกระทบระบบไวิหารและกระทบระบบของเครื่องถวายสัตว์เครื่องถวายสักการ บ, บูชาเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะพระเยซูมาเป็นรูปแบบของบุญเหตุไม่ใช่เหมือนอาโรนที่นาเครื่องถวายในเวลานั้นแต่พระเยซูเป็นบุญเหตุตามแบบของแมลคิสเดก ที่จะตลอดไปเป็นนิดเลิกนา้ําครึ่งบูชาแต่ครึ่งบูชาเดียวคือพระองค์เองเพื่อจะชายบาปของมนุษย์เราครั้งเดียวพอเพื่อจะยกเลิกระบบของเครื่องฉวายนักบุญบูชาแล้วลองคิดดูถ้ามีใครมาพยายามจะคัดคว้างระบบศาสนาประจำชาติจะเสี่ยงไหมโหเสียงแน่แน่ พระเยซูมาอย่างนั้นจริงๆจริ ง, รงพระเยซูว่าไม่แปลกใจทำไมพระเยซูจะซ่อนคำสอนของพระ อ, องค์ไว้เป็นคำมูปมาที่มีแต่ผู้ที่พร้อมมีใจพร้อมมีใจหิวกระหายมีใจที่จองรับปังดีต่อพระเยซูที่จะได้เข้าใจและได้ตอบต่อโดยช้อยคำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราได้ตอบสองคำถามแรก ให้เรามาถึงคำถามที่สามข้อความเหล่านี้จะมีความหมายอย่างไงสำหรับเราในเวลานี้พี่ยีซูจัดว่าในมัทธิวบทที่สี่ข้อสี่ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า พี่น้องเราต้องการพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราเป็นทางเดียวที่เราจะเติบต่อขึ้นไฟวิญญาณและไม่ใช่ไฟวิญญาณอย่างเดียวเพื่อเราจะมีความสำเร็จที่ยูนานแต่เหมือนที่เราสร้างบ้านเราต้องสร้างบนชีวิตและช้อยคำของพระเยซูเอง และคาอุปมานี้ก็ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกช้อยคำที่พระเจ้าตรัสกับเราที่น่าจะเป็นอาหารไฟวิญญาณที่ทำให้เราเติบต่อไม่ใช่ทุกคำที่เกิดผ่อนในชีวิตของเราที่จริงมีสองวิธีที่เราอาจจะตีความหมายในคาอุปมานี้เราอาจจะตีความหมายว่ามันมีที่ดินสีที่ดิน คือมีดินแข็งมีดินที่มีก้อนเห็นมีดินที่มีน้นาแล้วมีดินที่ดีนี่คือสี่ประเภทของคนนั่นเป็นวิธีตีความหมายอย่างหนึ่งแต่อีกวิชีวิธีตีความหมายคือว่าวาวคือคนเดียวและมีดินทั้งสี่ประเภทยอยู่ในตัวเราวเหมือนกันบางครั้งราวเหมือนดินแข็งบางครั้งเราเหมือนดินดที่มีก้อนห็นบางทีรา เป็นดินที่มีหนามแต่บางส่วนเราเป็นดินที่ดีและเกิดผ่อนพ่อแม่อยากจะให้เราคิดในลักษณะที่สองเหล่านี้บางครั้งเราเป็นดินแข็งเหมือนในเวมหนชางบางครั้งเรามีจุดแข็งในจิตใจของเราที่แท้ที่จริงพระเจ้าอยากจะตรัสกับเราในบางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่ยอมรับ ในถ้อยคาของพ่อองค์จึงถ้อยคาแม้พ่อพรอองค์ก็จะพูดกับเราช้อยคานั้นก็ผ่านพอนเราไปแล้วไม่เกิดผนในเรายกตัวอย่างพระเจ้าอยากจะให้เราจ่ายกว้างสมมติว่าเราได้เงินเป็นก้อนหนึ่งพิเศษแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราเหมือนแม่หม้ายที่อยู่ที่วิหารแล้วก็ถวายนึงเหรียญว้กับ พระเจ้าเลื่องดิงเรียนั้นเป็นทั้งหมดของข้าแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราถวอยทั้งหมดกระเพาะสมมติไม่ได้พูดถึงว่าพระเจ้ากําลังให้เราทําอย่างนั้นแต่ว่าสมมติแต่พอดีใจของเราเมันแข็งๆๆๆเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้พระเจ้าจะไม่จ่ายอย่างนั้นแล้วช้อยคําเหล่านั้นก็ผ่านผ่อนเาไปโดยไม่ได้เกิดผ่อนในเราเนื่องจากมีบางจุดที่ แข็งในราวหรืออาจจะเป็นว่าพระเจ้าอยากจะให้เราคืนดีกับคนหนึ่งพระเจ้าตรัสแต่ว่าเราก็แข็งเราแข็งกับคนนี้มากๆจึงช้อยคําของพระเจ้าไม่สามารถเกิดผ่อนในราวเพราะใจแข็งของเราในบางจุดบ า, บางสิ่งเมื่อเราสำรวจจิตใจของตัวเองก็ให้เราสำรวจแล้วก็ ลองสังเกตมันมีอะไรบ้างที่เรามักจะแข็งขอพระเจ้า่ายสิ่งเหล่านั้นดินเหล่านั้นใจที่แข็งอยู่นั้นอันที่สองบางครั้งเราเหมือนเป็นพื้นหินคือเป็นดินที่ดีแต่ว่ามันมีพื้นหินอยู่ในนั้นทำให้สะดุดช้อยคมของพระ อ, องค์ ในบ้านเดิมของเราก่อนที่เราย้ายเข้ามาในเมืองเราก็มีบ้านไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีสวนหน้าบ้านและเราก็ปลูกต้นไม้เป็นแถวต้นไม้แล็กๆที่ในดินตรงนั้นแต่เรารู้ว่าในจุดหนึ่งก็มีก้อนหินอยู่ข้างล่างแต่เราก็เครียดที่จะขุดออกไปเพราะว่าค่องขั้นจะใหญ่เราจึงปลูกต้นไม้เหมือนเดิมแต่ เมื่อเติบต่อแล้วก็สังเกตว่าแต่ละต้นก็เติบต่ตดีเติบโตดีแต่เมื่อมาถึงจุดที่มีก้อนหินอยู่ข้างล่างมันเตี้ยมันมันสูงสูงสูงสูงเตี้ยแล้วก็กลับมาสูงสูงสูงสูงเพราะว่าไม่สามารถเอารากหล่องลึกในที่ดินจึงไม่ได้เติบต่อตามปกติพระเยซูอธิบายเหมือนปังช่อยคำมาถึงเรา แต่พระเยซอธิบายว่าเมื่อเกิดการยากลำบากรือการขมแข็ง พ, พวะพระวจนะนั้นพวกเขาก็เลิกเสียทันทีเราควรจะเชื่อและไปถึงหนึ่งร้อยเมตรแต่เราก็หยุดขึ้น่งทางเนื่องจากอุปสรรคปัญหาบางอย่าง เขาอาจจะเพิ่มต้น อ, อธิษฐานสมัครคนนี้ขอพระเจ้าแต่ต้องชีวิตแต่เมื่อเห็นว่าเขายังใจแข็งยังไม่เห็นพอเราก็ชอใจแล้วก็เลิกเชื่อและเลิกอธิษฐานสมัครคนนี้แทนที่จะเห็นไปถึงจุดปลายทางเหมือนพระเจ้ามีปลายทางสมัครชาวอิสอราเอลที่จะเข้าไปในอยู่ในคานาอานแต่เขาสะดุดพระเจ้าโดยความไม่เชื่อพระองในสินชวักันดาน จึงจมลองตายลองในฉินชรคันดานบางช้อยคำที่มาถึงเราที่พระเจ้าตรัสมาถึงเราไม่สำเร็จเพราะว่าเราเลิกโดยเมื่อความลำบากหรือการขมแหงเกิดขึ้นเพราะช้อยคำเหล่านั้นหรืออันที่สามคือดินที่มีหนามคือบางครั้งพระตยซูตรัสว่าความกังวลของโลก หรือความลุ่มหลองในทรัพย์สมบัติหรือความโลภในสิ่งต่างๆเข้ามาและรัดพวัชรนะ้นจึงพวัชนะนานไม่เกิดผ่อนไม่นานมาแล้วก็หลายปีจริงๆหลายปีมาแล้วในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่มีคริสเตียนค่อน ข, อข้างจะเยอะมีการสำรวจคริสเตียนในคริสตจักรพบว่าส่วนมาก คริสเตียนอยู่ในระวางอายุ 20-35 ปีอ่าถ้าอายุมากกว่า35ปีก็ไม่ค่อยมีแล้วพอเวลาผ่านไปอีก20ปีเขาทำการสารวจใหม่ก็พบว่าคนส่วนมากในคริสตจกักรก็อายุ 20-35 ปีเขาจึงเกิดคำถามว่าอา้าวล้วคริสเตียนที่ 20-35 ปีเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหน ก็หลายคนก็เมื่อความกังวลของโลกความรุ่มร้องในทรัพยสมบัติหรือสิ่งใดๆเกิดขึ้นมีครอบครัวมีลูกมีภาวะในสิ่งต่างๆก็รัฐภาชนะความทุ่มเทที่มาก่อนก็หายไปพี่น้องเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงที่เราจะสม่ำเสมอเพราะาแน่นอนเราจะมีความกังวลของโลก แน่นอนแน่นอนเราจะมีสั์สมบัติที่เป็นความเป็นห่วงในเรื่องสั์สมบัติจะมีที่มาถึงว่าอะไรจะช่วยเราที่เราจะยังมั่งคงกับพ่ะองผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ได้พี่นองเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูในทุกด้านของชีวิตของเราจะเป็นงานของเราจะเป็นครอบครัวของเรา ที่จะเอาพระเยซูคห้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของใจและส่วนของชีวิตของเราแท้ที่จริงลำดับไม่ใช่พระเยซูคริสตจักรครอบครัวการงานหรือไม่ใช่ลำดับพระเยซู ค, ครอบครัวคริสตจักรหรือการงานอันนั้นไม่ใช่ลำดับลำดับที่แท้จริงต้องเป็นพระเยซู พระเยซูพระเยซูพระเยซูคือว่าเราเรียนรูพ้พระเยซูในงานของเราเราเรียนรูพ้พระเยซูในครอบครัวของเราเราเรียนรู้ที่จะให้พระเยซูครอบครองในคริตจักรของเราในทุก ด, ด้านของชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อมีปัญหาในสิ่งเหล่านี้เราก็จะพบพระเยซูได้เราจะพึ่งพาพระเยซูและเดินผ่านสิ่งเหล่านี้ได้มันต้องพบ ไม่ใช่ทุ่มเทสําหรับขุสจ่าในอายุยี่สิบถึงสามสิบห้าปีแต่พอมีครอบครัวแล้วไม่รู้จะเอาพี่สื่อไว้ที่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาสําหรับหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะเป็นดินที่ดียังง่ายบ้างที่จะเกิดผ่อนสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างพี่สื่อตรัสว่าเป็นดินที่หรือเป็นคนที่ได้ยินพระว่นะนั้น และรับไววเราได้ยินถ้อยคำของพระ อ, องมาถึงเรายังไงนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะเรียนรู้ที่จะได้ยินพระ อ, องผมเป็นห่วงมากที่บางครั้งคริสเตียนวาวยุ่งในชีวิตส่วนตัวมากเกินจนกระทั่งเราไม่ค่อยได้ยินพรออง หรือแม้แต่การรับชชยพระเจ้าเป็นไปได้เรายุ่งในการรับชชยพระเจ้าแต่ไม่มีโอกาสที่จะเงียบและฟังเสียงของพระองค์เราต้องเหมือนเอลียาสุดท้ายที่เป็นเสียงเงียบที่กระซิบในใจบางทีมีเสียงดังมากไปภายนอกเราไม่ได้ยินพระองค์ภายในเราต้องเรียนหูพี่น้องอะไรเป็นสิ่งล่าสุดที่พระเจ้าตรัสกับท่าน เป็นเสียงเป็นช้อยคำของพระ อ, องค์ไม่ใช่เฉพาะพระวชนะโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสในจิตใจของท่านมนุษย์จะดามองชีวิตโดยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่โดยช้อยคาที่มาจากพระโอษฐ์ของพ่อพี่น้องได้ยินอะไรได้รับอะไรจากพระ อ, องค์และเมื่อเราได้ยินแล้วเราต้องรับไหวเราต้องรับไ ว, บไวที่พระเยซูได้ตรัสไว้ นี่เป็นจุดประสงค์ของคำอุ ป, ปมานี้เพราะว่าถึงแม้ว่าทุกที่ดินก็ได้รับพวชนะแต่ไม่ใช่ทุกดินได้ย่อมรับและรับไว้จึงเกิดผ่อนอาจจะเปียบเสมือนขอภายเปียบเสมือนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็มันติดไว้ที่หมอบลูกใช่ไหมเราตอบตตจนถึงเก้าเดือนแล้วค่อยมาคลอด รับไว้แล้วก็เติบต่ออันนั้นเป็นภาพธรรมชาติที่พระเจ้าให้ไว้เพื่อเราจะเข้าใจถ้อยคําของพระ อ, องค์ที่เกิดผ่อนในราเรารับไหวหรือในพระธรรมมัทธิวในคำอุปมานี้พระเยซูใช้คําว่าได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจจริงๆคําว่าเข้าใจในภาษาไทย ดีมากเลยมันดีกว่าภาษาอังกฤษเพราะว่า enter heart คือเข้าในใจคือรับพระวจนะและเข้าสู่ใจหรือหลายครั้งพระคัมภีร์ใช้คำว่าตรึดตรอง่อยควรนี่เป็นวิธีการที่เราจะให้ช่วยคำของพองเข้ามาใน ใจของเราผมเป็นห่วงว่าคริสเตียนทั่วไปกําลังสูญเสียศิลปะในการคร้ำควรตรายตรองพระวจนะของพระเจ้าอาจจะไม่ต้องเป็นถ้อยคํามากไปอาจจะเป็นถ้อยคําสั้นๆที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในการเฝ้าเดียวในวันนี้แต่เราค่ายควรตรายตรองในสิ่งเหล่านั้น สมัยก่อนที่ก่อนจะเป็นอาจารย์แต่เวลาที่ปากีสถานกุนเช็บทุกเดือนผมจะเดินทางไปอีสานเพื่อจะไปออกพมผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองในเครือจกักรจักรีออกพรมผู้นำท้องถิ่นแล้วเมื่อจะเดินทางผ่านชุ่งนาผมก็ชอบสังเกตหรือว่าควายทำมะายพี่น้องเคยเดินทางไหมแล้วก็เห็นควายควายชอบทำอะไรที่ ทุ่งนาที่มีโคลนชอบทำอะไรนอนนอนอยู่ในโคลอนอย่างนี้คือทำอะไรก็ไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆเป็นภาพที่แท้ที่จริงถ้าเราจะ่อ่ควรตรายตรองเพราะว่าชนะ เราให้ภะวนะสุ่มเข้าไปในจิตใจของเรามันใช้เวลากับภววนะนั้นพี่น้องต้องเหมือนอะไร <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้พูดอะไรเ <c oughs> อ้ อ, อ, อกาบเปลือกมะพร้าวถ้าจะปลูกกล้วยไม้ ผมเข้าใจว่าจะผู้ที่เชี่ยวชาญถ้าเราเอากล้วยไม้มาไว้ในกาบะมะพร้าวเฉยๆก็มันจะไม่ติดจะไม่เติบต่อต้องแช่กาบนานไว้ในน้ำและไม่ใช่แค่หนึ่งวันหรือสองวันประมาณหนึ่งอาทิตย์ต้องแช่ไว้จนกระทั่งเราสามารถเอากล้วยไม้แล้วมันจะติดแล้วก็จะเติบต่อสวยงามเช่นเดียวกับเราเราต้องเรียนรู้ที่จะ แช่ตัวไวในพระวจนะของพระเจ้ามันใช่เวล า, เ, าเพื่อจะได้เข้าในจิตใจของเราพี่น้องได้ยินพระวจนะอะไรมาถึงท่านขอให้พระวจนะนั้นเกิดผล3นสามสิบเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างร้อยเท่าบ้างด้วยความอดทนด้วยความโทรอดอดทน อย่ารีพอร์นอย่าให้พระเจ้าทันใจท่านพระเจ้าจะไม่ทันใจแต่อย่าลืมว่าพระเจ้ารู้เวลาของพ่ อ, อและพระเจ้ากําลังทำเพราะอยากจะจบลองด้วยตัวอย่างในชีวิตของตัวเอง เ, อ <S <S เป็นถ้อยคําที่พระเจ้าให้ไวประมาณสาสิปีที่แล้วและเริ่มที่จะเกิดผ่อนในทุกวันนี้คือในสมัยนั้นก็อยู่ในคริสตจักรที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ แถวสาธุประเด็ดแล้วในช่วงเวลานานประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วก็มีริสนจากความหวังกุนแทบกำลังเกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหเห็นพระพรของพระเจ้ามากมายในคึ้นจักความหวังกุนแทบเห็นการทวีคูณแล้วก็ผมคิดในใจว่าผมผิดที่ไหมพระเจ้าอยากจะให้ผมไปร่วมอยู่กับขึ้นจักความหวังกุนแทบไหมแต่พระเจ้าตรัสชัดเจนในเวลานั้น ไม่ใช่สมภพที่จะย้ายไปแต่มีเสียงที่ชัดเจนมากที่ผมไม่ลืมว่าพระเจ้าตรัสว่าสักวันหนึ่งผมจะมีโอกาสสอนหลายคนของกลุ่มนั้นนั่นสามสกว่าปีที่แล้วเมื่อประมาณสี่ปีห้าปีที่แล้วที่มีการเปลี่ยนแปลงในคีดส้จากความหวังแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ออกมาก็ปรากฏว่า แต่และกลุ่มเหล่านี้ก็มาหาปากิสถานกุนแชเพื่อการอบรมแล้วเวลาผมสอนในชั้นเรียนหลายคนก็มาจากกลุ่มที่มาจากความหวังแล้วเวลาไปสอนต่างจังหวัดแบบสัญจรที่เราสอนก็เป็นกลุ่มพี่น้องผู้นำที่มาจากความหวังกุนแชเหมือนกันเป็นจริงตามที่พระเจ้าได้ตรับเมื่อสามสิบปีที่แล้ว สาิปีที่แลาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรแต่แค่แกลบไว้ในใจถึงเมื่อวลาพระเจ้าก็ช้อยคําของพระเจ้าไม่สูญเปล่าแต่เกิดผ่อนสามสิท่าบ้างหกสิท่าบ้างร้อยแถวบ้างก็ให้เป็นเช่นนั้นสมัครคุสะวัฒนาด้วยพระเจ้ากําลังตราสอะไรและสมัครท่านส่วนตัวพระเจ้ากําลังตราสอะไรก็ให้ว่าเป็นดินที่ดีรับถ้อยคําเหล่านั้นเข้าในใจ แช่ตัววายในช้อยคำของพระ อ, องค์จนกระทั่งตอบต่อขึ้นเก้าเดือนเกิดผลให้เราอธิษฐานด้วยกันพระพิดาขอพระคุณพ อ, องสมบับความจริงของพระหีสุขเจ้าและขอให้เป็นอาหารไฟจิตวิญ ญ, ญาณและขอให้เราแต่ละคนได้ยินพระเสียงของพระ อ, องค์และถ้อยคำนั้นจะเกิดผล ในชีวิตของเราต่ อ, ต อ, ตอไปตามเวลาด้วยความส อ, อดสอดอดทนอฏิฐานมอบซึ่งกนรละการกับพระ อ, องค์ในพระนามพระหยิสต์เจา้าอาเมน